สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนังสือ20กฎทองคำซึ่งมาถึงพชนะพระเจ้าในพระธรรมัธิวบทที่5ข้อ44ครับโปรดฟังพจะนะของพระเจ้าฝฟเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านโปรดฟังอีกครั้ง ฝ่าเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและอธิ ษ, ษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านพี่น้องครับการเกลียดชังศัตรูนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกๆคนก็ไม่ชอบศัตรูของเราแต่การรักศัตรูนั้นเป็นเรื่องไม่ธรรมดาครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนือธรรมดาจริงๆการเกลียดชังศัตรูนั้นเป็นเรื่องของโลกนี้แต่การรักศัตรูเป็นเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ การเกลียดชังศัตรูเป็นเหมือนกับว่าเรากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่องค์พระเยซูทรงทราบว่าการรักศัตรูนั้นเป็นการฝืนธรรมชาติครับเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์อาศัยกําลังของตัวเองทําไม่ได้หรอกครับดังนั้นพระเยซูจึงทรงเสนอว่าจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน พี่น้องครับศัตรูมักจะข่มเหงเราและคำว่าผู้ที่รับการข่มเหงก็คือพวกเราทั้งหลายก็คือผู้ที่อยู่ในความชอบธรรมเราถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของพระเจ้าเสมอแต่ว่าเราจะรักศัตรูหรือรักผู้ที่ข่มเหงเราได้อย่างไรพี่น้องครับพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงอธิษฐานเผื่อศัตรู เราเห็นได้ว่าเคล็ดลับของการอธิษฐานนั้นการอธิษฐานพาเราขึ้นสู่ระดับความรักของพระบิดาได้พี่น้องครับพระเยซูได้ท่งอธิษฐานบนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานขอให้พระเจ้าพระบิดานั้นได้ยกโทษกับผู้ที่ข่มเหงพระองค์ความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนกลายเป็นแหล่งกาเนิดของพลังแห่งความรักใหม่ ของพวกเราทั้งหลายเบเยซูตัดดังนี้ครับว่าเราได้รักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านจงรักซึ่งกันและกันอย่างนั้นเวลาที่เะเยซูอธิษฐานเผื่อว่าขอให้โปรดอภัยเขาเถิดพระบิดาเจ้าเราเคยจาได้ใช่ไหมครับว่าระเยซูตัดกรบเปโตเหมือนกันจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วยว่าผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบพี่น้องครับความรักของพระเจ้าก็เป็นแหล่งกำเนิดและกระตุ้นให้เราไปรักคนที่เรารักไม่ได้และการอธิษฐานก็จะนำเราไปถึงมิติของความรักของพระเจ้าที่จะท่วมทน้นและพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราความเกลียดชังของเราเปลี่ยนเป็นความรักได้ เมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานเราจะเริ่มหายเกลียดชังศัตรูของเราค่อยๆหายไปและความรักที่มีต่อเขาอันเกิดจากการอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเราให้เรามีความรักต่อพวกเขาได้พี่น้องครับเปโตเมื่อได้รับคำสอนนี้ท่านก็กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สามข้อ 14. ท่านเขียนอย่างนี้ครับว่า แม้ว่าท่านทั้งหลายจะต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขและในข้อที่9ของบทที่3บทเดียวกันนี้ท่านเปรโตก็ได้เขียนเหมือนกันครับว่าอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายอยาดาตอบการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาพี่น้องครับเราต้องอวยพรศัตรูของเรา เราต้องอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราในระยะเริ่มแรกอาจจะทำไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับแต่ขอให้เราเชื่อฟังเราเชื่อฟังเมื่อเรามีความเชื่อมีความเชื่อฟังเราอาธิษฐานเผื่อศัตรูของเราเราอวยพรเขาพี่น้องครับในครั้งแรกๆนั้นอาจจะเคอะเขินบ้างอาจจะรู้สึกว่าทำใจลำบากทำลำบากแต่เมื่อเราเริ่มต้นทา พวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราครับให้เราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเป็นสุขเป็นคนที่ยอมทนทุกข์แต่มีความสุขเนี่ยครับคือสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของลูกลูกของพระองค์ทั้งหลายศาสนาจารย์ฟลิปเทงนั้นท่านได้เขียนอย่างนี้ครับว่าในปี1973 ข้าพเจ้าได้ยินมาดามเอสเบตเอเลียตกล่าวคำปราศัยรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าสามีของท่านนั้นเป็นผู้ประกาศขา่าวเสอิญที่อเมริกาใต้ท่ามกลางชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับมิชชันนีอีก4คนครับและสามีของท่านก็ถูกฆ่าฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดร้ายแต่พวกภรรยาก็ยังกลับไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นกลับไปอยู่ท่ามกลางคนที่ฆ่าสามีของตัวเอง และประกาศข่าวเสดิจต่อไปพร้อมที่จะพลีชีพในที่สุดครับพี่น้องพระเจ้าได้เคลื่อนเคลื่อนใจของคนเหล่านั้นที่เป็นคนพื้นเมืองในอเมริกาใต้มีคนกลับใจมากมายรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ตอนที่สามีเหล่านั้นจะถูกฆ่าเสียชีวิตนั้นท่ามกลางการประชุมน้มัสการข่าวสารถูกประกาศออกไปในเวลานั้นเองครับ มีอนุชน500คนยืนขึ้นแสดงตัวจะถวายตัวไปอเมริกาใต้จะเดินทางไปอเมริกาใต้เพื่อทำงานมิชชั่นไปสารต่อการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับเราจะเห็นครับว่า5คนถูกฆ่าแต่เกิดใหม่อีก500คนครับอีก500คนเขารุกขึ้นกลายเป็นกองทัพแห่งความรักที่จะสนับสนุนในกรณีที่ทัพหน้าล้ม ทับหลังก็จะหนุนต่อไปเพียงกับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารักศัตรูของเราเมื่อเราถูกข่มเหงแม้ว่าหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่สามารถที่จะรับการข่มเหงนี้ได้แต่เราเองนั้นจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าครับเราต้องอธิษฐานเพื่อศัตรูของเราอธิษฐานของพระเจ้าเสริมกําลังให้เรารับการข่มเหงเหล่านั้นได้ พีน่นนท์ครับการข่มเหงอาจจะมาในหลายแลารูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อิจฉาริษยาเราเสียงที่นินทาว่าร้ายเราเสียงที่ใส่ร้ายป้ายสีเราเสียงที่ทำให้เราท้อแท้ใจนั่นคือเสียงของศัต ร, ตรูอย่าไปฟังมันครับแต่อวยพรเขาอวยพรเขาอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อต้นตอที่มาของเสียงเหล่านั้นครับ อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่ต่อหน้าเราเขาพูดดีแต่รับหลังเราเขาพูดไม่ดีนั่นแหละครับอธิษฐานเผื่อเขาครับอวยพรเขาครับพระเจ้าจะให้เกิดความสุขและสันติสุขในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั่นจะอยู่ในทางของพระเจ้าครับและเราเองจะสามารถที่จะ ดำเนินชีวิตยอยู่ท่ามกลางศัตรูของเราได้อย่างมีความสุขเพราะเราสามารถรักเขาได้แม้ว่าเขาไม่รักเราเราสามารถที่จะอธิษฐานเพื่อเขาได้แม้ว่าเขายังไม่เคยอธิษฐานเพื่อเราเราสามารถอยู่ท่ามกลางคนอิจฉาตาร้อนได้เราสามารถอยู่ท่ามกลางคนที่เกลียดชังเราได้เราสามารถอยู่ท่ามกลางคนที่ข่มเหงเราได้เพราะเหตุที่เรามีพระเยซูเรามี องพระวิญ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายข้าพระเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์อเมน